พอชาวบ้านเล่าเรื่องจบลงท่านพระอาจารย์ยังไม่หายสงสัยในความอยากไปชมถ้ำนั้นท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นจะตาอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคาบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นที่น่ากลัวให้ฟังก็ตามแต่ใจท่านไม่ได้มีความสะดุ้งหวาดเสียวไปตามแม้นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้คอคิดมากมายิ่งขึ้น และมีความอาถารที่จ ะ, ะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้มุ่งสแสวงหาความจริงอย่างแท้จริงท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงท่อมตนว่าเรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อัตมาคิดอยากประชมถ้ำสักชั่วระยะหนึ่งหากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความกรุณาโยมไปส่งอัตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำนี้สักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ้ำนี้มานานแล้ว ฝ่ายชาวบ้านก็พากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค์เวลาท่านพักอยู่ในถ้ำนี้มีรู้อะไรแปลกๆหลายอย่างขณะที่พักอยู่ในถ้ำนั้นในระยะแรกๆรู้สึกว่าทา่านขันทุกส่วนปกติดีจิตใจก็สงบเยือกเย็นเพราะเงียบสงัดมากไม่มีอะไรมาพลุกพล่านก่อกวนนอกจากเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่พากันเที่ยวหากินตามภาษาเขาเท่านั้นท่านรู้สึกเย็นกายเย็นใจในสองสามคืนแรก พอคืนต่อไปโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นมาประจำขันก็ชักจะกาเริบและมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นหนักมากบางครั้งเวลาไปส้วมถึงกับถ่ายเป็นเลือดออกมาอย่างสดสดร้อนร้อนก็มีฉันอะไรเข้าแล้วไม่ยอมย่อยเอาเลยเข้าไปอย่างไรก็ส้วมออกมาอย่างนั้นทำให้ท่านคิดวิตกถึงคำพูดของชาวบ้านที่ว่ามีพระมาตายที่นี่สี่องค์เราอาจเป็นองค์ที่ห้าก็ได้ถ้าไม่หาย เวลามีโยมขึ้นไปทำตอนเช้าท่านก็พายโยมไปเที่ยวหายาที่เคยได้ผลมาแล้วมาต้มฉันบ้างฝนใส่น้าฉันบ้างเท่าที่ทราบเป็นยาประเภทรากไม้แก่นไม้แต่ฉันยาประเภทใดลงไปก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลโรคนับวันรุนแรงขึ้นทุกวันกำลังกายก็อ่อนเพลียมากกาลังใจก็ปรากฏว่าลดลงผิดปกติแม้ไม่มาก็พอให้ทราบได้อย่างชัดเจน ขณะที่นั่งฉันยาได้นึกวิตกขึ้นมาเป็นเชิงเตือนตนให้ได้สติและปลุกใจให้กลับมีกําลังเข้มแข็งขึ้นมาว่ายาที่เราฉันอยู่ขณะ น, นี้ถ้าเป็นยาช่วยระ ง, งับโรคได้จริงก็ควรจะเห็นผลบ้างแม้ไม่มากเพราะฉันมาหลายเวลาแล้วแต่โรคค็นับวันกําเริบหากยามีทางระ ง, งับได้บ้างทําไมโรคจึงไม่สงบเห็นท่ายานี้จะไม่ใช่ยาเพื่อระ ง, งับบําบัดโรคเหมือนแต่ก่อนเสียกระมัง แต่อาจเป็นยาประเภทช่วยส่งเสริมโรคให้กำเริบแน่นอนสำหรับข่าวนี้โรคจึงนับวันกำเริบขึ้นเป็นลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพยายามฉันไปเพื่อประโยชน์อะไรพอได้สติจากความวิตกวิจารณ์ที่ผุดขึ้นมาในขณะนั้นแล้วท่านก็ตัดสินใจและบอกกับตัวเองทันทีว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะระงับโรคพันนี้ด้วยยาคือธรรมโอสถเท่านั้นจะหายก็หายจะตายก็ตาย มาสุดกำลังความสามารถในการเยียวยาทุกวิถีทางแล้วยาที่เคยนำมารักษานั้นจะงดไว้จนกว่าโรคนี้จะหายด้วยธรรมโอสถหรือจนกว่าจะตายในถ้ำ น, นี้จะยังไม่ฉันยาชนิดใด ใ, ดในระยะนี้แล้วก็ตื่นตนว่าเราจะเป็นพระทั้งองค์ที่ได้ปฏิบัติ บ, บำเพ็ญทางใจมาพอสมควรจนเห็นผลและแน่ใจต่อทางดาเนินเพื่อมรรคผลทพานมาเป็นลาดับ ซึ่งควรถือเป็นหลักยึดของใจได้พอประมาณอยู่แล้วทำไมจะขี้คลาดอ่อนแอในเวลาเกิดทุกขวเวทนาเพียงเท่านี้ก็เพียงทุกเกิดขึ้นเพราะโรคเป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านี้เรายังสู้ไม่ไหวกลายเป็นผู้อ่อนแอกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างยับเยินเสียแต่ปัจนนี้แล้วเมื่อถึงคราวโจรตัวจะชิงชัยเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆคือเวลาขันจะแตกถ้าจะสลาย ทุกยิ่งจะโหมกันมาทับทา่าดขันและจิตใจจนไม่มีที่โปรงวางเราจะเอากำลังจากที่ไหนมาต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดไปได้โดยสุขะโตไม่เสียท่าเสียทีในสงครามล้างขันเราพอท่านทำความเข้าใจกับตนเองอย่างแน่ใจและมั่นใจแล้วก็หยุดจากการฉันยาในเวลานั้นทันทีและเริ่มทำสมาธิภาวนาเพื่อเป็นโอสดบำบัดบรรเทาจิตใจและทาดขันต่อไปอย่างหนักแน่นทอดความอาลัยเสียดายในชีวิตทาดขัน ปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาทำหน้าที่ห้ำหันจิตดวงไม่เคยตายแต่มีความตายประจำนิสัยลงไปอย่างเต็มกำลังสติปัญญาสธาความเพียรที่เคยอบรมมาโดยไม่ได้สนใจคำนึงต่อโรคที่กำลังกำเริบอยู่ภายในว่าจะหายหรือจะตายไปขณะใดในเวลานั้นอย่างสติปัญญาลงในทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆของธาตุขันธ์ออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละคือยกทั้งส่วนรูปกาย ทั้งส่วนเวทนาคือทุกภายในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกข์ทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาผู้ดำเนินงานทําการขุดค้นคลี่คลายอย่างไม่หยุดยัง้งแต่เวลาพรบค่ําถึงเที่ยงคืนคือ24่สนาฬิกาจึงลงเอ่ยกันได้จิตมีกําลังขึ้นมาอย่างประจักษ์ สามารถคลี่คลายธาตุขันจนรู้แจ้งตลอดทั่วถึงทุกเวทนาที่กำลังกำเริบขึ้นอย่างเต็มที่จากโรคในท้องโรคก็ระ ง, งับดับลงอย่างสนิทจิตรวมลงถึงที่ในขณะนั้นขณะนั้นโรคก็ดับทุ ก, ก็ดับความฟุ้งซ่านของใจก็ดับพอจิตรวมสงบลงถึงที่แล้วถอนออกมาขั้นอุปจารสมาธิแล้วจิตสว่างออกไปนอกกาย ปรากฏเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างใหญ่ดำและสูงมากราวสิบเมตรถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขายาวราวสองวาเดินเข้ามาหาและบอกกับท่านว่าจะทุบตีท่านให้จมลงไปในดินถ้ามไม่นี้จะฆ่าให้ตายในบาดเดี๋ยวใจตามที่ผีบอกกับท่านว่าตะบองเหล็กที่เขาแบกอยู่บนบ่านั้นตีช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงหนนเดียวเท่านั้นช้างสารต้องจมลงไปในดินแบบจมมิดเลยโดยไม่ต้องตีซ้ำอีก ท่านกำหนดจิตถามผีร่างยักษ์นั้นว่าจะมาตีและฆ่าอาตมาทำไมอาตมามีความผิดอะไรบ้างถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าเราการมาอยู่ที่นี้ไม่ได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอจะถูกใส่กรรมทำโทษถึงขนาดตีและฆ่าให้ตายถึงเช่นนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้วไม่ยอมให้ใครมามาอยู่ครองอำนาจเนือตอนไปได้ต้องปราบปรามและกำจัดทันที ท่านตอบว่าก็าอาตมาไม่ได้มามาครองอํานาจบนหัวใจใครนอกไปจากมาปฏิบัติบําเพ็ญศีลทำอันดีงามเพื่อครองอํานาจเหนือกิเลสบาปธรรมบนหัวใจตนเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทำลายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชทรงศีลและเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้มีใจบริสุทธิ์และมีอํานาจในทางเมตตาครอบไตร่โลกธาตุไม่มีใครเสมอเหมือน ท่านซักถามและเทศให้ผีร่างยักษ์ฟังเสียใหญ่ในขณะนั้นว่าถ้าท่านเป็นผู้มีมอำนาจเก่งจริงดังที่อวดอ้างแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมและเหนือธรรมอันเป็นกฎใหญ่ปกครองมวลสัตว์ในไตรภพร้วยหรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่าท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าสามารถปราบกิเลส ต, ตัวที่คอยอวดอำนาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภายในคิดอยากตีอยากฆ่า คนอื่นสัตว์อื่นให้หมดสิ้นไปจากใจได้ส่วนท่านที่ว่าเก่งได้คิดปรากิเลตัวดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยังเขาตอบว่ายังเลยท่านท่านว่าถ้ายังท่านก็มีอํานาจไปนในทางที่ทําตนให้เป็นคนมืดนืนาปราทืนต่างหาซึ่งนับว่าเป็นบาปและสวยกรรมหนักแต่ไม่มีอํานาจปราความชั่วของตัวที่กําลังแผงลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอํานาจแบบก่อไฟเผาตัว และต้องจัดว่ากำลังสร้างกรรมอันหนักมากมีหนำยังจะมาตีมาฆ่าคนที่ทรงศีลธรรมอันเป็นหัวใจของโลกทำไมจัดว่าท่านทำกรรมอันเป็นบาปหยาบช้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายแล้วจะจัดว่าท่านทำความดีที่น่าชมเชยที่ตรงไหนอัตมาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งมาทำประโยชน์แก่ตนและแก่โลกโดยการประพฤติธรรมด้วยความริสุ์ใจท่านยังจะมาทุบตีและสังหาร โดยไม่ได้คิดคำนึงถึงบาปกรรมที่จะฉุดลากท่านลงนรกสวยกรรมอันเป็นมหันตทุกข์เลยอัตมารู้สึกสงสารท่านยิ่งกว่าจะอะไรในชีวิตของตัวเพราะท่านหลงอำนาจของตัวจนถึงกับจะเผาตัวเองทั้งเป็นอยู่ขณะนี้แล้วอำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านอำนาจอันนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาผลาญตัวอยู่เวลานี้ได้หรือไม่ท่านว่า เป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวงปกครองอยู่ในเขตเขาเหล่านี้แต่อำนาจนั้นมีฤทธิ์เดชเหนือกรรมและเหนือธรรมไปเลยไหมถ้าท่านมีอำนาจและมีฤทธิ์เหนือธรรมแล้วท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาตมาได้สําหรับอาตมาเองไม่กลัวความตายแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็ยังจะต้องตายอยู่โดยดีเมื่อการของมันมาถึงแล้วเพราะโลกนี้เป็นอยู่ของมวนัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วนากัน แม้ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอํานาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ขณะนี้แต่ท่านก็ไม่ได้เก่งกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงาสัตว์โลกไปได้ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นสักถามและเทศสั่งสอนบุรุษลึกลับโดยทางสมาธิอยู่นั้นท่านเล่าว่าเขายืนตัวแข็งบาแบกตะบองเหล็กเครื่องมือสังหารอยู่เหมือนตุกตาไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับเขยื่อนไปไหนมาไหนเลย ถ้าเป็นคนธรรมดาเราก็ทั้งอายทั้งกลัวจนตัวแข็งแทบลืมหายใจแต่นี่เขาเป็นอมนุษย์พิเศษผู้หนึ่งจึงไม่ทราบว่าเขามีลมหายใจหรือไม่แต่อาการทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเขาทั้งอายทั้งกลัวท่านพระอาจารย์มั่นจนสุดที่จะอดกลั้นได้แต่เขาก็อดกลั้นได้อย่างน่าชมตอนท่านแสดงทำจบลงเขาได้ทิ้งตะบองเหล็กจากบ่าอย่างเห็นโทษและนารมิต เปลนภาพจากร่างของบุรุษลึกลับที่มีกายดำสูงใหญ่มาเป็นสุภาพบุรุษพุทธมามะกะผู้อ่อนโยนนิ่มนวลด้วยมัญญาตอัธยาศัยสแสดงความเคารพคารวะและกล่าวคำขอโทษท่านอาจารย์แบบบุคคลผู้เห็นโทษสำนึกในบาปอย่างถึงใจซึ่งต่อไปนี้เป็นใจความของเขาที่กล่าวตามความสัตย์จริงต่อท่านพระอาจารย์มั่นว่ากระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่างแต่เริ่มแรกมองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์มาก ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนพุ่งจากองค์ท่านมากระทบตัวกระผมทําให้อ่อนไปหมดแทาไม่อาจแสดงอาการอย่างใดออกมาได้อวัยวะทุกส่วนตลอดจิตใจอ่อนเพลียไปตามๆกันไม่อาจจะทําอะไรได้ด้วยพระการเพราะมันอ่อนและนิ่มด้วยความซาบซึ่งจับใจในความสว่างนั้นทั้งๆ ท, ที่ไม่ทราบว่านั่นคืออะไรเพราะไม่เคยเห็นเท่าที่แสดงกิริยาคํารามว่าจะทุบตีและฆ่านั้น ไม่ได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยเลยแต่แสดงออกตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเป็นผู้มีอำนาจในหมู่มนุษย์กันและมีอำนาจในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมชอบรักบาปหาความชั่วประจำนิสัยต่างหากอำนาจนี้จะทำอะไรให้ใครเมื่ อ, อไรก็ได้ตามต้องการโดยปราศจากการต้านทานขัดขวางมานะอันนี้แลพาให้ทำเ ป, เป็นผู้มีอำนาจแสดงออกพอไม่ให้เสียลวดลาย ทั้งๆ ท, ที่กลัวและใจอ่อนทําไม่ลงและไม่ได้ปร่งใจว่าจะทําหากเป็นเพียงแสดงออกพอเป็นกิริยาของผู้เคยมีอำ น, นาจเท่านั้นกรรมอันไม่งามใดๆที่แสดงออกให้เป็นของหน่าเกลียดในวงนักปราชที่แสดงต่อท่านวันนี้ขอได้เมตตาอาโหสิกรรมแก่กรรมนั้นๆให้กระผมด้วยอย่าต้องให้รับบาปหาบทุกต่อไปเลยเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกอย่างพอตัวอยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้มากกว่านี้ ก็คงเหลือกําลังที่จะทนต่อไปไหวท่านถามเขาว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีอํานาจวาสนามากกายก็เป็นกายทิพย์ไม่ต้องพาหอบผิ้วเดินเหินไปมาให้ลําบากเหมือนมนุษย์การเป็นอยู่หลับนอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่วโลกที่เป็นกันแล้วทําไมจึงยังบ่นว่าทุกอยู่อีกถ้าโลกทิพย์ไม่เป็นสุขแล้วโลกไหนจะเป็นสุขเล่าเขาตอบว่าถ้าพูดอย่างผิวเผินและเทียบกับกายมนุษย์ที่หยับหยบับ พวกกายทิพย์อาจมีความสุขมากกว่าพวกมนุษย์จริงเพราะเป็นภูมิที่ละเอียดกว่ากันแต่ถ้ากล่าวตามชั้นภูมิแล้วกายทิพย์ก็ย่อมมีทุกข์ไปตามวิสัยของภูมินั้นเหมือนกันระหว่างที่ผีกับพระสนทนากันในตอนนี้รู้สึกว่าละเอียดและลึกลับยากที่ผู้เขียนจะนำมาลงได้ทุกประโยคจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจสุดท้ายแห่งการสนทนาธรรม ท่านว่าปรุดลึกลับมีความเคารพเพื่อมใสในธรรมเป็นอย่างยิ่งและปฏิญญาณตนถึงพระไตรสรณคมกล่าวอ้างท่านพระอาจารย์เป็นสรณะและเป็นองค์พยานด้วยพร้อมทั้งให้ความอาราขาแก่ท่านเป็นอย่างดีและขออนิมนต์ท่านพักอยู่ที่นี่ให้นานๆถ้าตามใจเขาแล้วไม่อยากให้ท่านจากไปสู่ที่อื่นตลอดอายุของท่านเขาจะเป็นผู้คอยดูแลรักษาท่านทุกอิริยาบถ ไม่ให้มีอะไรมาเบียดเบียนหรือรังแกท่านใดเลยความจริงแล้วเขาไม่ใช่บุรุษลึกลับและมีร่างกายดำสูงใหญ่ดังที่แสดงภาพต่อท่านแต่เขาเป็นหัวหน้าแห่งรุกเทวดาซึ่งมีบริษัทบริวารมากมายที่อาศัยอยู่ในภูเขาและสถานที่ต่างๆมีเขตอาณาบริเวณกว้างกวางมากติดต่อกล้าหลายจังหวัดมีนครนายกเป็นต้นนับแต่ขณะจิตท่านสงบลงและระงับโรคจนหายสนิท ไม่ปรากฏเลยประมาณเที่ยงคืนกับที่รุกระเทศมาเกี่ยวข้องและสนทนาธรรมกันจนถึงเวลาจากไปและจิตถอนขึ้นมาก็ประมาณสี่นาฬิกาคือสิบทุ่มโรคที่กำลังกำเริบในขณะที่นั่งธทมสมาธิภาวนาพอจิตถอนขึ้นมาปรากฏว่าหายไปโดยสิ้นเชิงไม่ท้องอาศัยยาอื่นใดรักษาอีกต่อไปโรคหายได้เด็ดขาดด้วยธรรมโอสถทางภาวนาล้วน จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากสําหรับท่านในคืนวั น, นั้นพอจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านทําความเพียรต่อไปไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งเมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลียแต่กลับกระปี้กระเป๋าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยคืนวันนั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างคือเห็นอนุภาพแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใสหนึ่งจิตรวมสงบลงเป็นเวลาหลายชั่วโมง เห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบอยู่ตัวอย่างมีความสุขหนึ่งโรคที่เคยกำเริบอยู่เสมอจนควรเรียกเลยว่าโรคประเภทเรื้อรังได้หายไปโดยสิ้นเชิงหนึ่งจิตได้หลักยึดเป็นที่พอใจหายสงสัยในสิ่งที่เคยเป็นมาหลายชนิดหนึ่งอาหารที่ฉันลงไปในตอนเช้าแต่วันหลังกลับทําการย่อยตามปกติหนึ่งความรู้แปลกๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ปรากฏขึ้นมากมาย ทั้งประเภทถอดถอนและประเภทประดับความรู้พิเศษตามนิสัยวาสนาหนึ่งในคืนต่อไปท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกและมีความสงบสุขทางใจอย่างบอกไม่ถูกร่างกายก็เป็นปกติสุขไม่มีอาการใดก่อกวนบางคืนยามดึกส ง, งัดก็ตอนรับพวกรุ ก, กรเทพที่มาจากที่ต่างๆจนวนมากมาโดยมีเทพลึกลับที่เคยทาสงครามวาทะกับท่านอาจารย์เป็นผู้ประกาศโฆษณาให้ทราบและเป็นหัวหน้าพามา คืนที่ไม่มีเรื่องมาเกี่ยวข้องท่านก็สนุกบำเพ็ญสมาธิภาวนาวายวันหนึ่งท่านออกจากที่สมาธิแล้วก็ออกไปนั่งตะกอากาศห่างจากหน้าถ้ำพอประมาณขณะนั้นกำลังรำพึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาประทานไว้แก่มมชนรู้สึกว่าเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกมากยากที่จะมีผู้สามารถปฏิบัติและตร่ตรองให้เห็นจริงตามได้ ท่านเกิดความภูมิใจและอัศจรรย์ในตัวท่านเองขึ้นมาที่มีวาสนาได้ปฏิบัติและรู้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างจากธรรมแม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิที่ใฝ่ฝันมานานก็ตามแต่ก็ยังจัดว่าอยู่ในขั้นพอกินพอใช้ไม่ขัดสนจนมุมในความสุขที่เป็นอยู่และจะเป็นไปซึ่งตัวเองก็แน่ใจว่าจะถึงแดนแห่งความสมหวังในวันหนึ่งแน่นอนทำํำไ้ตายเสียในระยะการที่ควรจะเป็นนี้ขณะนั้น กำลังสวยสุขเพลินอยู่ด้วยการพิจารณาธรรมทั้งฝ่ายมากคือทางดำเนินและฝ่ายผลคือความสมหวังเป็นลำดับจนถึงความดับสนิทแห่งกองทุกภายในใจไม่มีเหลือพอดีมีลิงฝูงใหญ่พากันเที่ยวมาหากินบริเวณหน้าถ้นั้นโดยมีหัวหน้ามาก่อนเพื่อนปล่อยระยะห่างจากฝูงประมาณหนึ่งเส้นพอหัวหน้าลิงมาถึงที่นั้นก็มองเห็นท่านนั่งนิ่งๆอยู่พอดีแต่ไม่ได้หลับตา ท่านเองก็ได้ชำเลืองไปดูลิงตัวนั้นเช่นกันประกอบกับลิงตัวนายฝูงนั้นกำลังเกิดความสงสัยในท่านอยู่ว่านั่นคืออะไรกันแน่มันค่อยดมดมอมองมองท่านและวิ่งถอยไปถอยมาอยู่บนกิ่งไม้ด้วยความสงสยัยและเป็นห่วงเพื่อนฝูงของมันมากกลัวจะเป็นอันตรายขณะที่มันสงสัยท่านท่านก็ทราบเรื่องของมันพร้อมกับเกิดความสงสารขึ้นมาในขณะนั้นและแผ่เมตตาจิตไปยังลิงตัวนั้นว่าเรามาบำเพ็ญธรรม ไม่ได้มาหาเบียดเบียนและทำร้ายใครไม่ต้องกลัวเราจงพากันหาอยู่หากินตามสบายแม้จะพากันมาหากินอยู่แถวบริเวณนี้ทุกวันเราก็ไม่ว่าอะไรสักประเดี๋ยวใจมันวิ่งไปหาพวกของมันซึ่งพอมองเห็นตัวที่กำลังตามหลังกันมาท่านเหล่าตอนนี้หน้าหัหเราะและหน้าสงสารมากพอมันวิ่งไปถึงพักพวกของมันแล้วมันรีบบอกกันว่าโก๊เฮ้ยอย่าโวนไปมีอะไรอยู่ที่นั้น โกระวังอันตรายพวกของมันที่ยังไม่เห็นพอได้ยินเสียงก็ร้องถามมาว่าโกกอยู่ที่ไหนโกกอยู่ที่นั้นพร้อมทั้งหันหน้ามองมาที่ท่านพักอยู่เหมือนจะบอกกันว่านั่นนั่งอยู่นั่นเห็นไหมคำนองนี้แต่เป็นภาษาของสัตว์จึงเป็นเรื่องลึกลับสำหรับมนุษย์ธรรมดาจะตามรู้แต่ท่านอาจารย์มัน่นท่านรู้ทุกคําที่มันพูดกันเมื่อมันให้สัญญาณกันว่าอยู่ที่นั้นแล้ว มันบอกกันว่าอย่าพากันไปเร็วนักจงพากันค่อยๆไปและดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วก็พากันค่อยๆไปส่วนหัวหน้าฝูงพอบอกพักพวกเสร็จแล้วก็รีบไปแต่ค่อยดอมๆ ม, มองๆไปจนถึงหน้าถ้ำที่ท่านนังอยู่มีอาการทั้งกลัวทั้งอยากดูและอยากรู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ทั้งเป็นห่วงเพื่อนฝูงที่พากันค่อยมารออยู่เบื้องหลังหัวหน้ามันโดดขึ้นลงอยู่บนกิ่งไม้ตามนิสัยลิง ซึ่งเป็นนิสัยหลุกลิดดังที่เคยเห็นมาแล้วนั่นแหละมันมาด่อมๆมองอยู่ระยะห่างจากท่านประมาณสิบวาท่านเองก็ได้ใช้ความสังเกตอยู่ภายในทุกระยะว่ามันจะมีความรู้สึกต่อท่านอย่างไรบ้างนับแต่เริ่มแรกที่มันมาหาท่านและวิ่งกลับไปจนมันวิ่งกลับมาอีกและดูท่านซ้ำๆซากๆพอมนแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่อันตรายมันก็วิ่งกลับไปบอกเพื่อนฝูงของมันว่า กกกไปได้โกกไม่มีอันตรายท่านลาวานตอนนั้นวิ่งไปบอกเพื่อนฝูงของมันนั้นหน้าขบขันและหน้าหัวเราะทั้งหน้าสงสารมันมากเมื่อเรารู้ภาษาของมันแล้วแต่ถ้าไม่รู้คำที่มันพูดกันจะเห็นว่าเสียงที่มันเปล่งออกมาแต่ละคำและแต่ละตัวนั้นเป็นเสียงมันร้องธรรมดาไปสมบเช่นเดียวกับเราได้ยินเสียงนกเสียงการ้องฉะนั้นความจริงเท่าที่ท่านตั้งใจสังเกต กำหนดดูเสียงของลิงที่วิ่งกลับไปบอกเพื่อนฝูงของมันจริงๆแล้วมันเปล่งเสียงออกชัดถ้อยชัดคําเหมือนเสียงคนเราพูดกันดีๆนี่เองคือพอมันวิ่งกลับไปถึงพวกของมันแล้วมันก็รีบพูดเป็นคําเตือนพวกของมันให้สนใจในคําของมันเพื่อระวังตัวโดยเป็นเสียงของลิงพูดกันว่าโกกอกดังนี้แต่ความหมายที่มันเข้าใจกันจากคําว่าโกกกนั้นเป็นใจกว่าว่าเฮ้ยหยุดก่อนอย่าโวนพากันไป โกกมันยังมีอะไรอยู่ข้างหน้านั้นพวกของมันได้ยินเสียงของมันเตือนเช่นนั้นต่างตัวต่างเกิดความสงสัยจึงร้องถามมาว่าโกกมีอะไรหรืตัวนั้นถามมาว่าโกกอะไรกันตัวนี้ร้องถามว่าโกกอะไรกันตัวข้าหน้าฝูงก็ตอบว่าโกเก๊กมันมีอะไรอยู่ที่นั้นน่ากลัวเป็นอันตรายพวกของมันถามมาว่าโกกอยู่ที่ไหนหัวหน้าตอบมาตอบว่าโกกนั่นอย่างไรล่ะเสียงมันถามและตอบปรับกันสนันป่าไปหมด เพราะมีลิงจำนวนมากด้วยกันตัวนั้นโกกถามมาตัวนี้โกกถามมาด้วยความตื่นตกใจทั้งตัวเล็กตัวใหญ่วิ่งวุ่นกันไปมาขณะที่มันเกิดความสงสัยไม่แน่ใจกลัวจะเกิดอันตรายแก่ตัวและพวกของตัวจึงต่างตัวต่างเรียกร้องถามกันอย่างโฉลมวุ่นวายเช่นเดียวกับมนุษย์เราร้องถามกันถึงเหตุการณ์ต่างๆนี้เองหัวหน้าต้องชี้แจงเรื่องราวให้ทราบและเตือนพวกของมันว่าโกกเ ก, ก๊กให้พากันรออยู่ที่นี่ก่อน เราจะกลับไปดูให้แน่นอนอีกครั้งพอมันสั่งเสียแล้วก็รีบกลับไปดูขณะที่มันวิ่งไปดูท่านอาจารย์ก็นั่งอยู่พอจวนถึงตัวท่านมันค่อยด้อมค่อยมองวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่บนกิ่งไม้ตาจับจ้องมองดูอย่างพินิจพิเคราะห์จนเป็นที่แน่ใจว่าไม่ใช่ฆาสึกพูดจะคอยทําลายแล้วมันก็รีบวิ่งกลับมาบอกเพื่อนฝูงของมันว่าโกเก๊กไปได้แล้วไม่เป็นอันตรายโกไม่ต้องกลัว พอทราบแล้วต่างตัวมาสู่ที่ท่านนั่งพักอยู่และต่างตัวต่างดูท่านในลักษณะท่าทางไม่ค่อยไว้ใจนะักต่างวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบลิงนั่นเองเพราะความหิวกระหายอยากดูอยากรู้และร้องถามกันโกเก๊กลั่นป่าไปเวลานั้นว่านี่คืออะไรและมาอยู่ทําไมกันเสียงตอบรับกันแบบต่างๆตามภาษาศาสตร์ซึ่งต่างตัวต่างสงสัยอยากรู้เรื่องด้วยความกระวนกระวายที่ผูดซ้ำนี้ เขียนตามคําที่ท่านเน้นซ้ําเพื่อผู้นั่งฟังด้วยความสนใจจากท่านได้เข้าใจชัดเจนท่านละว่าขณะที่เขาเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในชีวิตของตัวและพักพวกนั้นรู้สึกว่าเป็นเสียงที่แสดงออกด้วยความชลมนวุ่น ว, นวายมากพอดูเพราะสัตว์ประเภทนี้เคยถูกมนุษย์ทําลายด้วยวิธีต่างๆมามากต่อมากตลอดชีวิตของมันจึงเป็นสัตว์ที่มีความระแวงต่อมนมนุษย์อยู่มากประจำนิสัย ขณะนั้นต่างตัวต่างมารุมดูทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยท่าทางา ร, ระมัดระวังอย่างยิ่งกระแสจิตที่แสดงความหมายออกมาตามเสียงที่มันร้องถามและตอบรับมา น, นั้นเหมือนกับกระแสใจของมนุษย์ที่ส่งออกมาตามกระแสเสียงที่พูดกันนั่นเองฉะนั้นเขาจึงรู้เรื่องของกันได้ดีทุกประโยคเช่นเดียวกับมนุษย์ราพูดกันฉันนั้นในคําที่เขาแสดงออกแต่ละคําซึ่งแสดงออกมาจากกระแสจิตที่มีความมุ่งหมายไปต่างๆกันนั้น เป็นคำที่ให้ความหมายแก่ตัวรับฟังอย่างชัดเจนไม่มีความบกพร่องพอจะให้เกิดความสงสัยแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดังนั้นคำแสดงของลิงแต่ละประโยคเช่นโกกเป็นต้นที่มนุษย์ธรรมดาเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ระหว่างเขาเองรู้เรื่องคันดีทุกประโยคที่แสดงออกเพราะเป็นภาษาของสัตว์พูดต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์ราชาติต่างๆต่างก็มีภาษาประจาชาติของตนฉะนั้น สรุปความก็คือภาษาสัตว์ต่างๆก็มีไว้สําหรับชาติของตนภาษามนุษยชาติต่างๆก็มีไว้สําหรับชาติของตนการจะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้ระวังสัตว์ชนิดต่างๆพูดกันระวังมนุษยชาติต่างๆพูดกันก็ยุติลงเองไม่เป็นอารมณ์ข้องใจต่อไปปรอยให้เป็นสิทธิ์ของแต่ละชาติจะวินิจฉัยรับรู้ของเขาเองพอต่างตัวต่างหายสงสัยแล้วต่างก็มาเที่ยวหากินในบริเวณนั้นตามสบายหาใหความหวาดระแวง ไม่ระเวงระวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นน้บแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาพากันมาเที่ยวหากินตามบริเวณหน้าธรรมอย่างสบายไม่สนใจกับท่านท่านเองก็ไม่ได้สนใจกับเขาต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนท่านว่าสัตว์ที่มาเที่ยวหากินอยู่บริเวณใกล้เคียงท่านโดยไม่ต้องระแวงและกลัวภัยนี้เขาก็เป็นสุขดีเหมือนกันโดยมากพระไปอยู่ที่ไหนพวกสัตว์ชนิดต่างๆชอบไปอาศัยอยู่ด้วย ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เพราะความรู้สึกมันคล้ายคลึงกันกับมนุษย์เป็นแต่เขาไม่มีอำนาจและไม่มีความเฉลียวฉลาดรอบด้านเหมือนมนุษย์เท่านั้นมีความฉลาดเฉพาะการหาอยู่หากินและหาที่ซ่อนตัวเพื่อชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นคืนวันหนึ่งท่านเกิดความสลดสังเวชใจยอย่างมากจนน้ําตาร่วงออกมาจริงๆคือเวลานั่งสมาธิจิตรวมลงอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณากายเป็นเหตุปรากฏว่า จิตว่างและปล่อยวางอะไรๆหมดโลกธาตุเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยในความรู้สึกขณะนั้นหลังจากสมาธิแล้วพิจารณาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อลบล้างหรือถอถอนความผิดที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกซึ่งเป็นธรรมที่ออกจากความฉลาดแหลมคมแห่งพระปัญญาของพระพุทธเจ้าพิจารณาไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นความฉลาดแท้ตาจันท ร, ร์ของพระองค์และเห็นความโง่เขลาเต่าปลาของตนยิ่งขึ้น การขบฉันขับถ่ายก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อนการยืนเดินนั่งนอนก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อนการนุ่งห่มซักฟอกก็ต้องได้รับการสั่งสอนมาก่อนไม่เช่นนั้นก็ทำไม่ถูกนอกจากทำให้ถูกแล้วยังทำผิดอีกด้วยซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องหา บ, บาปหาคาใส่ตัวการปฏิบตัติต่อร่างกายด้วยวิธีต่างๆก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนการปฏิบัติต่ตอจิตใจ ก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนทำมาได้รับการอบรมสั่งสอนมาเท่าที่ควรก็ต้องทําผิดจริงๆด้วยโดยไม่เลือกเพศวัยและชาติชันวะนะใดๆเลยเพราะสามัญมนุษย์เราเป็นเหมือนเด็กซึ่งต้องได้รับการดูแลและอบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่อยู่ทุกขณะจึงจะปลอดภัยและเจริญเติบโ ต, ตได้คนเราใหญ่แต่กายใหญ่แต่ชาติใหญ่แต่ชื่อใหญ่แต่ยศใหญ่แต่ความสําคัญตนแต่ความรู้ความฉลาด ที่จะทำตนให้ร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจโดยถูกทางตลอดผู้อื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนั่นไม่ค่อจเจริญเติบโตด้วยและไม่สนใจบํารุงให้ใหญ่โตอีกด้วยจึงเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกขนทุกแหง่งโดยไม่เลือกเพศวัยและชาติชั้นวรรณะอะไรเลยเหล่านี้แลที่ทําให้เกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งในคืนวันนั้นที่ชายเขาทางขึ้นไปถ้าที่ท่านพระอาจารย์พักอยู่ก็มีสํานักบําเพ็ญวิปัสสนาอยู่แห่งหนึ่ง เวลาท่านพักอยู่ถ้ำ น, นั้นมีขัวตาองค์หนึ่งพักอยู่สำนักบําเพนนั้นคืนวันหนึ่งท่านพระอาจารย์คิดถึงขัวตาองค์นั้นว่าท่านจะทําอะไรอยู่เวลานี้ก็กําหนดจิตส่งกระแสะลงมาดูขัวตาพอดีเป็นเวลาที่ขัตาองค์นั้นกําลังคิดวุ่นวายไปกับกิจการบ้านเรือนครอบครัวยุ่งไปหมดเรื่องที่ขัวตาคิดเกี่ยวกับอตีตารม์พอตกดึกท่านส่งกระแสะจิตลงมาหาขัวตาองค์นั้นอีก ก็มาเจอเอาเรื่องทนองนั้นเข้าอีกท่านก็ย้อนจิตกลับจวนสว่างส่งกระแสจิตลงมาอีกก็มาโดนเอาแต่เรื่องคิดจะสางเสียลูกคนนั้นล้านคนนี้อยู่ร่ำไปทั้งสามวาระที่ท่านส่งกระแสจิตลงมาแต่ก็มาเจอเอาแต่เรื่องครัวตาคิดจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างพบสร้างชาติสร้างพถะสงสารไม่มีสิ้นสุดวิธีแห่งความคิดปรุงเอาซะเลยตอนเช้าท่านลงมาบิณฑบาต ขากลับมาจึงแวะไปเยี่ยมครัวตาถึงที่พักและพูดเป็นเชิงปัญหาว่าเป็นอย่างไรหลวงพ่อปลูกบ้านใหม่แต่งงานกับคู่ครองใหม่แต่เป็นแม่อีหนูคนเก่าเมื่อคืนนี้ตลอดคืนไม่ยอมนอนเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีแล้วไมิใช่หรือคืนต่อไปคงจะสบายไม่ต้องวุ่นวายจัดแจงสั่งลูกคนนั้นให้ทําสิ่งนั้นสั่งล้านคนนี้ให้ทําสิ่งนี้อีกกระมังคืนนี้รู้สึกหลวงพ่อมีงานมากและวุ่นวายพอดแูแทบไม่ได้พักผ่อนนอนหลับมิใช่หรือ คัวตาถามท่านด้วยอาการเอียงอายและยิ้มแห้งๆว่าท่านพระอาจารย์เป็นพระอัจฉรยะมากท่านรู้ได้หรือเมื่อคืนนี้ท่านพระอาจารย์แสดงอาการยิ้มรับและตอบว่าผมเข้าใจว่าท่านจะรู้เรื่องของตัวดียิ่งกว่าผมผู้ถามเป็นไหนๆแต่ทำไมท่านจึงกลับมาถามผมอย่างนี้อีกผมเข้าใจว่าความคิดปรุงของท่านเป็นไปด้วยเจตนาและพอใจในความคิดนั้นๆจนลืมหลับนอนไปทั้งคืนแม้แต่รุ่งช้าตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ ผมก็เข้าใจว่าท่านจงใจคิดเรื่องเช่นนั้นอยู่อย่างเพลินใจจนไม่มีสติจะยับยัง้งและยังพยายามทำตัวให้เป็นไปตามความคิดนั้นๆอย่างมั่นใจไม่ใช่หรือพอจบลงท่านมองดูหน้าครัวตาเหมือนคนจะเป็นลมทั้งอายทั้งกลัวพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นเสียงคนและไม่ชัดถ้อยชัดคำขัดขา ด, ขาดวิ่นวิ น, วนเหมือนจะเป็นอะไรไปในเวลานั้นจนได้พอเห็นท่ามาดการขินพูดเรื่องนั้นต่อไปเดี๋ยว ขัวตาจะเป็นอะไรไปก็จะแย่ถ้าเลยหาอุบายพูดไปเรื่องอื่นพอให้เรื่องจางไปแล้วก็ลาขึ้นธรรมต่อมาได้สามวันโยมพู้ปฏิบัติขัวตาองค์นั้นก็ขึ้นไปที่ธรรมท่านพระอาจารย์จึงถามถึงขัวตานั้นว่าสบายดีหรือโยมบอกท่านว่าขัวตาองค์นั้นจากไปที่อื่นจะแล้วตั้งแต่เช้า ว, วานนี้ผมถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปทาไมอยู่ที่นี่ไม่สบายหรือท่านบอกว่าจะอยู่ไปได้อย่างไรก็เช้าวันนี้ ท่านพระอาจารย์มั่นมหาอัตมาที่นี่แล้วเทศอัตมาเซ ย, ยกหนึ่งหนักอัตมาแทบไปลมสลบไปต่อหน้าท่านอยู่แล้วถ้าท่านขืนเทศไปอีกสักประโยคสองประโยคอัตมาต้องล้มตายต่อหน้าท่านแน่แต่พอดีท่านหยุดและเลยพูดเรื่องอื่นไปเสียอัตมาจึงพอมีชีวิตและลมหายใจกลับคืนมาได้ไม่ตายไปเสียในขณะนั้นแล้วจะให้อัตมาอยู่ต่อไปได้อย่างไรอัตมาขอไปวันนี้ผมถามท่านว่า ท่านพระอาจารย์มั่นเทศดูดาท่านหรือถึงจะอยู่ต่อไปไม่ได้และจะตายต่อหน้าท่านท่านไม่ได้ดูดาอาตมาแต่ปัญหาธรรมของท่านนั้นมันหนักยิ่งกว่าท่านดูดาเขี่อันตีเป็นไหนไหนครัวตาตอบท่านถามปัญหาหลวงพ่ออย่างนั้นหรือปัญหานั้นมีว่าอย่างไรผมอยากทราบด้วยพอเป็นคติบ้างผมถามท่านท่านพูดว่าขอจะให้อาตมาเล่าให้โยมฟังเลยอาตมาอายจะตายอยู่แล้วจะมุดดินลงไปเดี๋ยวนี้แล ถ้าขืนบอกใครให้ทราบด้วยอาตามาจะพูดทะยมฟังเพียงเปลยๆนะก็เราคิดอะไรอไรท่านรู้เสียจนหมดสิ้นจะไม่หนักกว่าท่านดุดาอย่างไรล่ะธรรมดาปุถุชนก็ย่อมมีคิดดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะห้ามไมให้คิดได้อย่างไรทีนี้พอเราคิดอะไรขึ้นมาท่านก็รู้ทั้งหมดอย่างนี้จะอยู่ได้อย่างไรหนีไปตายที่อื่นดีกว่าอย่าอยู่ให้ท่านพลอยหนักใจด้วยเลยคนอย่างเราไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อไปอายโลกเขาเ้าเปล่า คืนนี้อาตมานอนไม่ได้เลยคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวผมแย้งท่านว่าก็ท่านจะมาหนักใจด้วยเราทําไมเพราะท่านไม่ใช่ผู้ผิดเราผู้ผิดต่างหากจะควรหนักใจและควรแก้ความผิดของตอนให้สิ้นเรื่องไปท่านอาจารย์ยังจะอนุโมทนาอีกด้วยนิ ม, มนต์ท่านอยู่ที่นี่เพีก่อนเพื่อคิดอะไรผิดๆถูกๆขึ้นมาท่านอาจารย์จะได้ช่วยเตือนเราก็จะได้สติแก้ไขยังจะดีกว่าหนีไปอยู่ที่อื่นๆ อ, อยู่ที่อื่นเป็นไหนๆความเห็นของผมก็อย่างนี้ หลวงพ่อจะว่าอย่างไรไม่ได้ความคิดว่าจะได้สติและจะแก้ไขตัวกับความโกลัท่านนั้นมันมีน้ำหนักกว่ากันคนละโลกเหมือนช้างกับแมวทีเดียวแล้วเราจะพอมีสติสตังมาแก้อยู่อย่างไรได้พอคิดว่าท่านจะรู้เรื่องเราเท่านั้นตัวมันสั่นขึ้นมาแล้วอัตมาขอไปวันนี้ถ้าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปอัตมาต้องตายแน่ๆนโยมเชื่ออัตมาเถอะอย่าให้อยู่เลยท่านว่าอย่างนี้ ไม่ทราบว่าผมจะห้ามท่านได้อย่างไรคิดแล้วขนาสงสารเวลาท่านพูดให้ผมฟังก็ทั้งพูดทั้งกลัวหน้าเสียเซียวไปหมดเลยต้องปล่อยให้ท่านไปก่อนจะไปผมถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าไม่ตายเราคงเห็นหน้ากันอีกแล้วก็ไปเลยผมให้เด็กตามไปส่งท่านเวลาเด็กกลับมาแล้วถามเด็กเด็กบอกว่าไม่ทราบเพราะท่านไม่บอกที่ที่ท่านจะพักอยู่ สุดท้ายก็เลยไม่ได้เรื่องราวจนป่านนี้น่าสงสารทั้งท่านก็แก่แล้วไม่น่าจะเป็นเอาขนาดนั้นฝ่ายท่านอาจารย์เกิดความสลดใจที่ทําคุณได้โทษโปรดสั์ได้บาปเราคิดแล้วแต่แรกที่เห็นอาการไม่ดีเวลาถามปัญหาจากวันนั้นมาแล้วก็ไม่ได้สนใจคิดและส่งกระแสจิตไปถึงกลัวตายอีกเพราะกลัวจะไปเจอเอาเรื่องที่เคยเจอแล้วก็มาเป็นดังที่คิดจนได้ท่านคิดในใจขณะที่ทราบเรื่องจากโยมเล่าให้ฟัง และได้พูดกับโยมบ้างอเล็กน้อยเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเล่าให้ท่านฟังว่าอาตมาก็พูดไปธรรมดาในฐานะคุ้นเคยกันทีเล่นทีจริงบ้างอย่างนั้นเองไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตถึงกับพาให้ขรัวตาต้องร่างวัดรางวาหนีไปเช่นั้นเรื่องของขรัวตาเป็นเรื่องสําคัญต่อท่านอาจารย์ไม่น้อยตลอดมาในการที่จะปฏิบัติต่อบรรดาผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้และไกลเกรงว่าเรื่องจะซ้ารอยเขาอีกหากไม่สนใจคิดไว้ก่อน จากนั้นมาแล้วท่านว่าท่านไม่เคยทักใครเกี่ยวกับความคิดนึกดีชั่วเพียงพูดเป็นอุบายไปเท่านั้นเพื่อผู้นั้นระลึกรู้ตัวเอาเองโดยไม่ให้กระเทือนใจเพราะใจคนเราย่อมเป็นเหมือนเด็กอ่อนที่เพิ่งฝึกหัดเดินสเปะสปะไปตามเรื่องผู้ใหญ่เป็นเพียงคอยดูแลสอดส่องเพื่อไม่ให้เด็กเป็นอันตรายเท่านั้นไม่จำต้องไปกระวนกระวายกับเด็กให้มาไปใจของสามัญชนก็เช่นกันปล่อยให้คิดไปตามเรื่อง ถูกบ้างผิดบ้างดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะให้ถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านว่าท่านพักอยู่ที่ทำนั้นได้ความรู้และอุบายแปลกๆต่างๆมากมายทั้งเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะทั้งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกไม่มีประมาณท่านเกิดความอาถรรพ์ร่าเริงในข้อปฏิบัติจนลืมเวลาเวลาไม่ค่อยเด็ดสนใจกับวันคืนเดือนปีอะไรนะักความรู้ภายในใจเกิดขึ้นทุกระยะเหมือนน้ําไหลรินในฤดูฝน บางวันตอนบ่ายอากาศโปร่งๆท่านก็เดินเที่ยวชมป่าชมเขาภาวนาไปเรื่อยๆทําให้เพลินใจไปตามทัศนียภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันเย็นๆหน่อยค่อยลงมาถ้มที่ที่ท่านพักอยู่สัตว์ป่าชิ้นต่างๆมีมากพืชผลอันเป็นอาหารธรรมชาติก็มีมากจําพวกสัตว์ป่าที่อาศัยผลไม้เป็นอาหารเช่นลิงข้างบางชนีก็รู้สึกว่าเขาเพลิดเพลินไปตามภาษาของเขาเวลาเขามองเห็นเราก็ไม่แสดงอาการกลัว ต่างตัวต่างหากินไปตามภาษาท่านว่าท่านกอบเพลินไปกับเขาด้วยความเมตตาสงสารว่าเขาก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันกับเราไม่มีอะไรยิ่งหย่อนไปกว่ากันแม้วาสนาบา ร, รมีของสัตว์กับมนุษย์ต่างก็มีเช่นเดียวกันส่วนความยิ่งหย่อนแห่งวาสนาบา ร, รมีนั้นย่อมมีได้ทั้งคนและสัตว์นอกจากนั้นสัตว์บางตัวที่มีวาสนาบา ร, รมีแก่กล้าและอัธยาสัยดีความมนุษย์บางรายยังมีอยู่มาก แต่เวลาเขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ก็จำต้องทนรับเสวยไปเช่นเดียวกับมนุษย์เราแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งจัดว่าเป็นชาติที่สูงส่งกว่าสัตว์แต่ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จนข้นแค้นก็จําต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรมหรือสิ้นวาระของมันแล้วมีส่วนดีเข้ามาแทนที่ให้รับเสวยผลสืบต่อไปตามวาระดังที่เห็นเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนมาให้รู้ถูกเหย็ดยามชาติกําเนิดความเป็นอยู่ของกาลกันและสอนว่า สัตว์ทั้งหลายมีคำดีชั่วเป็นของของตนพอตกเย็นท่านก็ทำข้อวัดปัดกวาดหน้าธรรมบริเวณที่อยู่อาศัยเสร็จแล้วก็เริ่มทำความเพียรโดยวิธีเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างจิตท่านมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิความสงบใจทั้งทางปัญญาพิจารนาแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งธาตุขันลงในไตรลักษณญาณปรากฏเป็นความมั่นใจขึ้นเป็นลาดับพระสาวกอรหันมาแสดงทําให้ฟัง บางคืนปรากฏมีพระสาวกอรหันมาแสดงธรรมให้ท่านฟังตามทางอรยิยประเพณีโดยปรากฏทางสมาธินิมิตรเป็นใจความว่าวิธีเดินจงกรมต้องให้อยู่ในท่าสำรวมทั้งกายและใจตั้งจิตและสติไว้ที่จุดหมายของงานที่ตนกำลังทำอยู่คือกำลังกำหนดทำบทใ ด, ดอยู่พิจารณาขันใดอยู่อาการแห่งกายใดอยู่พึ่งมีสติอยู่กับธรรมหรืออาการนั้นๆไม่พึงส่งใจและสติไปอื่นอันเป็นลักษณะของคนไม่มีหลักยึด ไม่มีความแน่นอนในตัวเองการเคลื่อนไหวไปมาในทิศทางใดควรมีความรู้สึกด้วยสติพาเคลื่อนไหวไม่พึงทําเหมือนคนนอนหลับไม่มีสติตามรักษาความกระดุกกระดิกของกายและความละเมอเพ้อฝันของใจในเวลาหลับของตนการบินธบากการขบฉันการขับถ่ายควรถืออายะประเพณีเป็นกิจวัตรประจําตัวไม่ควรทําเหมือนคนผู้ไม่เคยอบรมสินธรรมมาเลย พึงทำเหมือนส ม, มณะคือเพศของนักบวชอันเป็ น, อ, น, ปนอันเป็นเพศที่สงบเยือกเย็นมีสติปัญญาเครื่องกำจัดโทษที่ฝังลึกอยู่ภายในอยู่ทุกอิริยาบถการขบฉันพึงพิจารณาอาหารทุกประเภทด้วยดีอย่าปล่อยให้อาหารที่มีรสอร่อยอร่อยตามจิวหาประสาทนิยมกลายมาเป็นยาพิษแผดเผาใจแม้ร่างกายจะมีกำลังเพราะอาหารที่ขาดการพิจารณาเข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ใจจะอาับเพราะรสอาหารเข้าไปทำลาย จะกลายเป็นการทำลายตนด้วยการบำรุงคือทำลายใจเพราะการบำรุงร่างกายด้วยอาหารโดยความไม่มีสติสมณะไปที่ใดอยู่ที่ใดไม่พึงก่อความเป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นคือไม่สั่งสมกิเลสสิ่งน่ากลัวแก่ตัวเองและระบาากระจายไปเผาลุ่นผู้อื่นคำว่ากิเลสอริยธรรมถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งพึงใช้ความระมัดระวังด้วยความจงใจไม่ประมาทต่อกระแสของกิเลสทุกๆ ก, ก, กระแส เราะเป็นเหมือนกระแสไฟที่จะสังหารหรือทําลายได้ทุกๆกระแสไปการยืนเดินนั่งนอนการกบฉันการขับทายการพูดจาปราสายกับผู้มาเกี่ยวข้องทุกๆรายและทุกๆครั้งด้วยความสํารวมนี่แหละคืออริยธรรมเพราะพระอริยบุคคลทุกประเภทท่านดําเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นความไม่มีสติไม่มีการสํารวมเป็นทางของกิเลสและบาปธรรมเป็นทางของวัฏะล้วนๆผู้จะออกจากวัฏะจึงไม่ควรสนใจกับทางอันลา ม, มกตกเหวเช่นนั้น เพราะจะพาให้เป็นสมณะที่เลวไม่เป็นผู้อันใครใครพึงปรานาอาหารเลวไม่มีใครอยากรับประทานสถานที่บ้านเรือนเลวไม่มีใครอยากอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเลวไม่มีใครอยากนุ่งห่มใช้สอยและเหลือบมองทุกสิ่งที่เลวไม่มีใครสนใจเพราะความรังเกยียจโดยประการทั้งปวงคนเลวใจเลวยิ่งเป็นบ่อแห่งความรังเกยียจของโลกผู้ดีทั้งหลายยิ่งสมณะคือนักบวชเราเลวด้วยแล้วก็ยิ่ง ก็ยิ่งเป็นจุดทิมแทงจิตใจของทั้งคนดีคนชั่วสมณะชีพรามเทวบุตรเทวดาอินพรมไม่เลือกหน้าจึงควรสำรวมระวังนักหนาการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน ใจนี่แลคือสมบัติอัอนล้นค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเองเมื่อทราบแล้วว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเราจึงไม่ควรให้พลาดทั้งรู้ๆจะเสียใจภายหลังความเสียใจทนองนี้ไม่ควรให้เกิดได้เมื่อทราบอยู่อย่างเต็มใจมนุษย์เป็นชาติที่ฉลาดในโลก แต่อย่าให้เราที่เป็นมนุษย์ทั้งคนโง่เต็มตัวจะเร็วเต็มทนและหาความสุขไม่เจอกิจการทั้งภายในภายนอกของสมณะเป็นกิจหรือเป็นงานตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นใจเพราะเป็นกิจที่ขาวสะอาดปราศจากมลทินโทษทั้งกิริยาที่ทําและงานที่ประกอบจัดว่าชอบโดยอดโดยธรรมจึงควรบำรุงส่งเสริมสมณะกิจของตนให้มีความเจริญรุ่งเรือ ง, งยิ่งยิ่งขึ้นไปจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรือ ง, งในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อ สมณะผู้รักในศีลรักในสมาธิรักสติรักปัญญารักความเพียรจะเป็นสมณะอย่างเต็มภูมิทั้งปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ทำที่แสดงนี้คือธรรมของท่านผู้มีความเพียรของท่านผู้อดผู้ทนของท่านผู้เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนของผู้พ้นจากทุกขโดยสิ้นเชิงปราศจากสิ่งกดขีบ่บังคับของท่านผู้เป็นอิสระอย่างเต็มภูมิคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสนาของโลกทั้งสา ถ้าท่านเห็นว่าธรรมทั้งนี้เป็นธรรมสำคัญสำหรับท่านท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสในมิชานีจึงขอฝากธรรมไว้กับท่านนำไปพิจารณาด้วยดีท่านจะกลายเป็นคนที่แปลกขึ้นมาในใจซึ่งเป็นของแปลกอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติดังนี้เมื่อพระสาวกกรหันมาแสดงธรรมให้ท่านฟังจากไปแล้วท่านก็น้อมเอาธรรมนั้นมาพิจารณาไข่ครววอีกต่อหนึ่งโดยแยกแยะออกเป็นแขนงแขนงไตรตองดูด้วยความละเอียด ทุกๆครั้งที่พระสาวกอรหันแต่ละองค์มาแสดงธรรมสั่งสอนท่านได้อุบายต่างๆจากการสลับธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายที่มาอบรมสั่งสอนแต่ละครั้งแต่ละองค์ช่วยส่งเสริมกําลังใจกําลังสติปัญญาตลอดมาถ้าเล่าว่าขณะที่ฟังธรรมพระอรหันต์ท่านแสดงธรรมให้ฟังพระหนึ่งได้ฟังธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าแม้ไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อนใจรู้สึกอิ่มเอิบและเพลิดเพลินไปตาม เหมือนโลกและธาตุขันไม่มีการเวลามาบีบบังคับเลยปรากฏว่ามีแต่จิตล้วนๆที่สว่างสวัยไปด้วยอัดด้วยทำเท่านั้นพอจิตถอนออกมาจึงทราบว่าตนมีภูเขาอันแสนหนักทั้งโลกคือร่างกายอันเป็นที่รวมแห่งขันซึ่งแต่ละขันล้วนเป็นกองทุกข์อันแสนทรมานท่านพักอยู่ที่ถ้ำ น, นั้นมีพระอรหันต์หลายองค์มาเยี่ยมและแสดงธรรมให้ฟังเสมอในวาระต่างๆกันซึ่งผิดกับที่ทั้งหลายอยู่มากในชีวิตที่ผ่านมา ทำเป็นที่แน่ใจได้ปรากฏขึ้นแก่ท่านในท้านั้นทานั้นคือพระอนาคามีผลทานี้ในพระปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าละสังโยดไดหะคือสากายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลับพระตะปรามาศกามราคะปฏิฆะท่านผู้บรรลุธรรมขั้นนี้เป็นผู้แน่นอนในการไม่กลับมาอุบัติเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ที่มีท่าสีคือดินน้ำลมไฟเป็นเรือนราอีกต่อไป หากยังไม่เลื่อนชั้นขึ้นถึงพระอาหารหันตภูมิในอัตภาพนั้นเวลาตายแล้วก็ไปอุบัติเกิดในพรหมโลกหชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามภูมิธรรมที่ผู้นั้นได้บรรลุในพรหมโลกห้าชั้นคืออวิหาอาตตปาสุทสาสุทธ ส, ธสธีและอกนิฐาซึ่งเป็นที่สถิตยอยู่ของพระอนาคามีบุคคลตามลำดับแห่งภูมิธรรมที่มีความละเอียดต่างกันท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเป็นการภายในว่าท่านได้บรรลุอนาคามีในถ้ำนั้น แต่ผู้เขียนก็เลยตัดสินใจนํามาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้ติชมบ้างหากเป็นการผิดพลาดประการใดก็ขอได้ตําหนิงผู้เขียนว่าเป็นผู้ไม่รอบคอบเสียเองท่านพักบําเพ็ญสมณธรรมด้วยความสงบเย็นใจอยู่ที่นั้นหลายเดือนคืนวันหนึ่งเกิดความเมตตาสงสารหมู่คณะขึ้นมาอย่างมากมายผิดสังเกตที่เคยเป็นมาสาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากท่านทําสมาธิภาวนาเกิดความอัศจรรย์หลายอย่างที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นได้ในชีวิต แต่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างประจกักษ์แจจิตติดกันทุกคืนเฉพาะคืนที่คิดถึงหมู่ขณะนั้นรู้สึกเป็นคืนที่แปลกมากคือจิตเป็นสมาธิที่ที่ละเอียดสุขุมมากเป็นพิเศษความรู้ความเห็นทั้งภายในภายนอกเป็นพิเศษความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นกับใจเป็นพิเศษถึงกับน้ําตาร่วงไหลออกมาด้วยความเห็นโทษแห่งความโง่ของตนในอดีตที่ผ่านมาความเห็นคุณของความเพียรที่ส ก, กิร์สกายมาจนได้เห็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นเฉพาะหน้า ความเห็นคุณของพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาประสิทธิ์ประสานธทธรรมไว้พอเห็นร่องรอยได้ดำเนินตามและรู้ความสลับซับซ้อนแห่งกรรมของตนและของผู้อื่นตลอดสัตวทั้งหลายขึ้นมาอย่างประจักษ์ปราศจากความเครือบแคลงสงสยัยตรงตามธรรมบทว่าสาัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นของตนเป็นต้นอันเป็นบทธรรมที่รวมความสําคัญของาศาสนาไว้แทบทั้งมวลท่านตื่นตนว่า แม้จะประสบความอัศจรรย์หลายอย่างขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจก็ตามแต่ก็ทราบว่าทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของท่านยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ยังจะต้องทุ่มเทกําลังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านลงอย่างเต็มกําลังอีกต่อไปสิ่งที่ทําให้ท่านเย็นใจและอยู่ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจนั้นคือโรคเรื้อรังในท้องที่เคยรบกวนและตัดรอนเสมอมาได้หายไปโดยสิ้นเชิงจิตใจได้หลักยึดอย่างมั่นคงแม้ยังไม่สิ้นกิเลส แต่ก็ไม่ได้สงสัยปฏิปทาครื่งดำเนินของตนปฏิปทาภายในเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่ลุมๆุมดอนๆอนเหมือนแต่ก่อนมีความแน่ใจว่าจะไม่ลุ่มหลงสงสัยทางดำเนินเพื่อทําขั้นสูงสุดแบบรูปรบๆคลำคลมดังที่เคยเป็นมาและมั่นใจว่าตนจะบรรลุถึงธรรมแด น, นพ้นทุกในวันหนึ่งแน่นอนสติปัญญาก็ดําเนินไปอย่างสม่ำเสมอไม่ถูกบังคับเขี่ยวเข็นวันคืนหนึ่งๆเกิดความรู้ความเห็นต่างๆทั้งที่เกี่ยวแก่สิ่งภายใน และเกี่ยวกัสิ่งภายนอกไม่มีประมาณทำให้จิตใจรื่นเริงในธรรมและเกิดความสงสารหมู่คณะที่เคยอยู่ด้วยกันมามากขึ้นอยากให้ได้รู้ได้เห็นอย่างที่ตนรู้เห็นบ้านความคิดสงสารนี้เลยกลายเป็นสาเหตุให้ท่านจำต้องจากถ้ำอันเป็นอุดมมงคล น, นี้ไปหาหมู่คณะทางภาคอีสานอีกทั้งทั้ที่อาไอาวอ์ไม่อยากไปก่อนที่ท่านจะจากถ้านี้ไปราวสองสามวันก็ปรากฏว่ามีพวกรุกระเทพ โดยมีเทพลึกลับองค์ที่เคยมาหาท่านเป็นหัวหน้าพามาเยี่ยมฟังธรรมมาเทศนาท่านเมื่อท่านให้โอวาดแก่เทวราจบลงและบอกความประสงค์ที่จะต้องจากถ้ำและคณะเทพทั้งหลายไปสู่ถิ่นอื่นด้วยความจำเป็นบรรดาเทวดาที่รวมกันอยู่จำนวนมากไม่ยอมให้ท่านจากไปและพร้อมกันอาราธนานิมนต์ท่านไว้เพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่ชาวเทพตลอดกาลนานท่านก็บอกว่าที่มาอยู่ที่นี้ก็มาด้วยความจำเป็น แม้การจะจากไปสู่ที่อื่นก็ไปด้วยความจําเป็นเช่นเดียวกันมิได้มาและไปด้วยความอยากพาให้เป็นไปจึงขอความเห็นใจาจากท่านทั้งหลายอย่าได้เสียใจถ้ามีโอกาสวาสนาอํานวยยังจะได้มาที่นี่อีกชาวเทพพากันแสดงความเสียใจและเสียดายท่านด้วยความเคารพรักจริงๆไม่อยากให้ท่านจากไปจวนจะถึงวันลงจากถ้ำตอนกลางคืนราวสี่นาฬิกาคือสิบทุม่มท่านคิดถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอปมปามาจารย์ วัดบรมนิวาสว่าเวลานี้ท่านจะพิจารณาอะไรอยู่จึงกำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูท่านเจ้าคุณอุบารีก็ทราบว่าเวลานั้นท่านกำลังพิจารณาปัจจยาการคืออวิชชาอยู่ท่านอาจารย์ทราบแล้วก็จดจำวันไว้เวลาลงมากรุงเทพได้โอกาสก็เรียนถามท่านตามที่ตนทราบมาแล้วท่านเจ้าคุณอุบารีพอได้ทราบเท่านั้นเลยต้องสารภาพและหัวเราะกันพักใหญ่พร้อมทั้งชมเชยว่า ท่านมั่นนี้เก่งจริงเราเองเป็นขนาดอาจารย์แต่ไม่เป็นท่าน่าอายท่านมั่นเหลือเกินท่านมั่นเก่งจริงแล้วก็กล่าวคําชมเชยว่ามันต้องอย่างนี้สิลูกศิษย์พระตถาคตถึงจะเรียกว่าเดินตามครูพวกเราจะทําทตัวเป็นโมฆะจากธรรมของพระพุทธเจ้าเสียหมดต้องมีผู้ทรงธรรมท่านไว้บ้างสมกับธรรมเป็นอากาลิโกไม่ปล่อยให้การสถานที่และความเกียรติคร้านเอาไปกินเสียหมด ทำจะไม่ปรากฏแก่โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชนต้องทําอย่างท่านมั่นที่ได้ความรู้ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จึงเป็นที่น่าชมเชยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านจะคุณอุบาลีเลื่อมใสและชมเชยท่านมากบางครั้งเวลามีเรื่องราวต่างๆที่ท่านไม่แน่ใจว่าควรจะพิจารณาและตัดสินใจอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมท่านยังให้พระมานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นไปร่วมปรึกษา และมอบเรื่องราวให้ท่านไปพิจารณาช่วยก็ยังมีพอควรแก่เวลาแล้วท่านก็เดินทางไปภาคอีสานท่านว่าก่อนท่านจะขึ้นไปบําเพ็ญอยู่ที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกท่านเที่ยวจาริกไปทางประเทศพม่า ก, ก่อนแล้วกลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่ลงไปทางหลวงพระบางประเทศลาวบําเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบนนานพอสมควรแล้วไปจังหวัดเลย และจำภาษาที่บ้านโคกซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับถ้ำผาปู่ในเขตจังหวัดเลยหนึ 1, ่งพันษาและประจำภรษาที่ทําผาบิงหนึ่งพันษาในเขตจังหวัดเดียวกันที่ที่ท่านจำภาษาเหล่านี้มีแต่ป่าแต่เขาและเป็นบริ้วยสัตว์ชนิดต่างๆเพราะหมู่บ้านและผู้คนมีน้อยในสมัยนั้นเดินทางไปตั้งวันก็มาเจอหมู่บ้านถ้าเกิดไปหลงทางเข้าต้องแย่และนอนกลางป่าซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์นานาชนิดมีเสือเป็นต้น ท่านเล่าว่าท่านข้ามไปเที่ยวทุดงฝากฝั่งแม่น้ําขงประเทศลาวและพักอยู่ในป่าใกล้ภูเขามีเสือโคร่งใหญ่เคยมาหาท่านบ่อยๆบางทีมันก็มาดูท่านอยู่ห่างๆในเวลากลางคืนซึ่งกําลังเดินจงกรมอยู่แต่มันมิได้แสดงท่าทางให้เป็นที่น่ากลัวอะไรนะักนอกจากมันร้องไปตามภาษาของมันและที่ยวไปมาอยู่แถวแถวบริเวณนั้นเท่านั้นท่านก็ไม่ได้สนใจกับมันเพราะเคยชินกับพวกสัตว์ต่างๆมาแล้ว คืนวันหนึ่งมีเสือโคร่งตัวใหญ่มากเข้ามาหาพระที่เป็นเพื่อนไปด้วยกันซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่แต่อยู่กันคนละหมู่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเข้ามานั่งดูท่านอยู่ข้างทางเดินจงกรมของพระอาจารย์องค์นั้นห่างจากทางจงกรมท่านประมาณหนึ่งวาระกลางความสว่างของแสงไฟเทีนยนไขที่ท่านจุดไว้เพื่อมองเห็นหนทางเดินจงกรมไปมาการนั่งของเสือโคร่งตัวนั้นเหมือนสุนัขบ้านเรานั่งนั่นเอง มันนั่งหันหน้ามาทางจงกรมท่านตามันจับจ้องมองดูพระที่ท่านกำลังเดินจงกรมไปมาไม่ลดละสายตาแต่ไม่ได้แสดงอาการอย่างใดออกมาขณะที่พระท่านเดินจงกรมไปถึงตรงที่มันนั่งดูอยู่นั้นรู้สึกสงสัยในตาและเฉลียวใจเพราะข้างทางจงกรมตรงนั้นปกติไม่มีอะไรแต่ขณะนั้นรู้สึกพิกนในตาจึงมองไปดูก็พอดีเห็นเสือโคร่งใหญ่กาลังนั่งมองดูท่านอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบ พระท่านเองก็ไม่กลัวมันมันก็ไม่ทำอะไรท่านเป็นเพียงนั่งดูอยู่เฉยๆเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณและไม่กระดุกกระดิกท่านก็เดินจงกรมผ่านหน้ามันไปมาไม่นึกกลัวอะไรมันเป็นแต่เห็นมันนั่งดูท่านอยู่นานผิดปกติจึงทำให้ท่านคิดขึ้นด้วยความสงสารมันว่าแกจะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปสิจะมานั่งเฝ้าเราทาไมกันพอท่านคิดจบลงเท่านั้นเสียงมันดังกระหึมขึ้นทันทีจนสะเทือนป่าไปหมดในขณะนั้น เมื่อท่านได้ยินเสียงมันดังกระหึ่มและไม่ยอมหนีตามที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไปท่านเลยรีบเปลี่ยนความคิดสมัยว่าเท่าที่คิดเช่นนั้นก็เพราะความสงสารเกรงว่าจะเกิดความหิวโหยเพราะมีปากมีท้องที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเช่นทั่วๆไปเพราะการมานั่งเฝ้าเรานานๆถ้าไม่เกิดความหิวกระหายใดๆจะนั่งเฝ้าเพื่อรักษาอันตรายให้ก็ยิ่งดีเราก็ไม่ว่าอะไรพอท่านเปลี่ยนความคิดใหม่เช่นนี้จบลง มันก็ไม่ได้แสดงอาการอย่างไรต่อไปอีกคงนั่งดูท่านเดินจงกรมต่อไปตามนิสัยของมันท่านเองก็คงเดินจงกรมไปมาตามปกติไม่ได้สนใจกับมันอีกต่อไปมันก็นั่งดูท่านอยู่เหมือนหัวต่อไม่กระดุกกระดิกตัวใทยอย่างใดเลยจนถึงเวลาท่านเดินออกจากทางจงกรมเข้าไปสู่ที่พักซึ่งเป็นแคร่เล็กๆ เ, เหมือนเตียงนอนที่อยู่ไม่ห่างไกลจากทางจงกรมนักทาวัดสวดมนต์และนั่งสมาธิโพนาต่อไป จนถึงเวลาพักผ่อนท่านก็พักนอนอยู่บนแคร่นั้นซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเสือโคร่งตัวนั่นนักเลยท่านตื่นนอนสามนาฬิกาคือเก้าทุ่มจากนั้นท่านเริ่มออกไปเดินจงกรมอีกตามเคยแต่ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกไม่ทราบว่ามันหายไปทางทิศใดคืนต่อไปก็ไม่เห็นมันมาที่นั่นอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั้นหนีไปพระเอ v e เห็นเฉพาะคืนเดียวเท่านั้นจึงทาให้พระอาจารย์องค์นั้นเกิดความสงสัย เวลาไปพบกับท่านพระอาจารย์มั่นจึงเล่าเรื่องเสือมาเฝ้าตนให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟังท่านเล่าว่าอาจารย์องค์นั้นชื่อศรีทาอายุพรรษาแก่กว่าท่านเล็กน้อยท่านเป็นพระนักปฏิบัติรุ่นเดียวกันและเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งท่านชอบป่าชอบเขาชอบที่สงบสงัดมากท่านชอบอยู่ตามภูเขาทางฝั่งแม่น้ําโขงประเทศลาวมากกว่าที่อื่นๆแม่ข้ามาฝั่งไทยเราก็ไม่นาน ท่านพระอาจารย์ศรีทาเล่าให้พระอาจารย์มั่นฟังคราวเสือกระหึมใส่ท่านนั้นเป็นขณะที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไปว่าท่านไม่รู้สึกกลัวแต่ขนลุกไปหมดทั้งตัวศีสศากชาเหมือนใส่หมวกต่อไปค่อยเป็นปกติและเดินจงกรมไปมาได้สดุกธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรมาอยู่ที่นั้นความจริงมันคงจะมีความกลัวอยู่อย่างลึกลับจนเจ้าตัวไม่อาจรู้ได้แม้คืนที่เสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นไม่มาหาท่านถึงที่อยู่ แต่ก็ได้ยินเสียงมันร้องกระหึมกระหึมอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืนท่านก็ไม่เห็นรู้สึกกลัวมันและทําความเพียรได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในบริเวณนั้นสมัยที่ท่านพระอาจารย์มานออกปฏิบัติทีแรกและเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆมีจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีจนไปถึงพมา่ากลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่หลวงพระบางวียงจันทน์จังหวัดเลยลงไปจมัสซาที่วัดปทุมวันกรุงเทพ และไปพักที่ธรรมสาริกาเขาใหญ่ตลอดเวลาที่ท่านกลับมาทั้งพีสานอีกท่านมักจะไปเพียงองค์เดียวแม้จะมีพระติดตามบ้างก็เป็นบางสมัยเท่านั้นแล้วก็แยกกันไปเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวไม่ชอบเกี่ยวข้องกับโมูคณะท่านถือเป็นความสะดวกในการไปคนเดียวอยู่คนเดียวบำเพ็ญสมณะทำคนเดียวตลอดมาจนปรากฏว่ามีกําลังใจมั่นคงจึงเกิดความสงสารหมู่คณะและสนใจที่จะแนะนําสั่งสอน ความคิดอันนี้เป็นเหตุให้ท่านได้จากถ้ำสาริกาอันแสนสบายกลับไปทางภาคอีสานหลังจากท่านได้อบรมพระเนนไว้บ้างสมัยที่ท่านเที่ยวธุดงอยู่ทางภาคอีสานก่อนหน้าจะลงมาทางภาคกลางและไปถ้ำเขาใหญ่ก็ปรากฏว่ามีพระธุดงกรรมฐานปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานมากพอสมควรพอท่านกลับไปเที่ยวนี้ก็ได้ตั้งใจทําการสั่งสอนทั้งพระเนนและคารวาตผู้มีความมุ่งหวังต่อท่านอยู่แล้วอย่างเต็มกําลัง การเที่ยวทางภาคอีสานท่านก็เที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆที่เคยไปแล้วปรากฏว่ามีพระเนนญาติโยมเกิดความเชื่อเลื่อมใสท่านมากมายผู้ออกบวชและปฏิบัติตามท่านด้วยความเชื่อเลื่อมใสมีจํานวนมากแม้พระที่มีอายุพรรษาจนเป็นขั้นอาจารย์แล้วก็ยอมสละทิฏฐิมาณะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านจนกลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางข้อปฏิบัติและทาง จ, จิตใจจนสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มภูมิก็มีจํานวนมาก พระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านคือท่านพระอาจารย์สุวรรณที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสอำเภอท่าบอจังหวัดนองคายพระอาจารย์สิงขันธยาขโมเจ้าอาวาส ว, วัดวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดสทารามนครราชสีมาทั้งสามองค์นี้ท่านเป็นชาวบลราชธานีและท่านมรณาภาพไปหมดแล้วซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ผู้สําคัญ ที่ให้การอบรมพระเนน ญ, ญาติโยมสืบทอดจากพระอาจารย์มั่นมาเป็นลำดับถึงสมัยปัจจุบันพระอาจารย์สิงห์กับพระอาจารย์มหาปินทั้งสององค์นี้ท่านเป็นพี่กับน้องร่วมอุทร์เดียวกันและเป็นผู้ได้รับการศึกษาทางปริยัติมามากพอสมควรทั้งสององค์นี้ท่านเกิดความเลื่อมใสพอใจยอมสาลทิฐิมาณะและภาราหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นตลอดมาและได้ทําประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง รองลงมาก็พระอาจารย์เทศเทศรังสีท่านเป็นพระราชาคณะปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่วัดหินหมากเป้งอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์ม่นรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเรื่มใส่อยู่มากและเป็นที่เคารพเรื่มใส่ของพระเนนและประชาชนทั่วไปแท้ทุกภาคปฏิปทาของท่านเป็นไปอย่างเรียบเรียบสม่ำเสมอสมกับอัธยาศัย ท่านที่คล่องแคล่วอ่อนโยน ส, สงบสงี่ยงงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์คำพูดจาปราัสเป็นที่จับใจพะรอต่อคนทุกชั้นท่านมีมารยาศสวงงามมากผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินตลอดผู้มาเกี่ยวข้องทัวๆวไปอย่างไม่มีประมาณเพราะมารยาศรัธยาสายของครูอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันคือมารยาศของบางองค์ ใครนำไปใช้ก็งามไปหมดไม่สแสลงใจแก่ผู้มาเกี่ยวข้องและเป็นความงามตาเย็นใจในคนทุกชั้น